ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่15หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองธันวาคม2552มีชื่อเรื่องว่าสิ่งเดียวที่พ่อทำไม่ได้ ไปตรงไหนก็ได้คิดเสียก่อนว่าไปทำอะไรเพื่ออะไรทำไมกลับมาวันนี้ทราบว่าหมู่พกเพื่อนจะไปครวะอุปชาเพราะนั้นในพรรษานี่ก็ควรจะเข้าไปละปรลวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีราทุกองเมื่อไปก็ให้สำรวมให้ระวังอย่าไปแสดงอกับกิริยาเราเป็นพระการไปกับครูบาอาจารย์ ไปถึงแล้วก็ให้รู้จักไม่ใช่ว่าต่างองต่างไปตโตเตเตคุยกันอย่างนั้นไม่ได้นะมันไม่ใช่มารยาทที่ดีเราไม่ใช่เป็นคราวญเราเป็นพระพอไปถึงน่าก็ต้องมองหัวหน้าหัวหน้าเขาพาทำยังไงเขาพาเดินก็ไปกราบเราก็มองหัวหน้าหัวหน้าพระเออเลิกกรับเราก็ค่อยกลาบตามหัวหน้าเป็นผู้พานำไม่ใช่ว่าพอไปถึงก็แต่กระจุยกระจายกัน คนหนึ่งไปเที่ยวเท่าหนึ่งคนหนึ่งไปทั้งหนึ่งกว่าที่จะไปได้กว่าจะมารวมตัวได้ล่องกันจนพอแรงเรียกกันจนพอแรงบางทีจะออกมามันก็ไม่ครบกันอย่างนั้นเขามีนะพวกเซเซอร์อันนี้ก็ต้องพวกทําความเข้าใจเอาไว้ในเมื่อไปก็ต้องมองหัวหน้าหัวหน้าพาไปยังไงหัวหน้าพาฟังโดยมากเราไปศึกษาเราไปฟังไปแต่ละวัดเราก็ไปฟั ง, ไ ป, ฟงไปศึกษา ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดอะไรให้ฟังจากนั้นก็ดูกลาบดูบริเวณนิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ไปดูเราไปฟังซะมากกว่าไปครวะครูบาอาจารย์ไปแล้วก็กลับมาอันนี้แปลว่าไปดูเพื่อการศึกษานะแต่ตามไม่จริงหัวหน้าทำอะไรทำทุกอย่างก็ไม่ถูกเหมือนกันนะหัวหน้าพาทำอะไรก็ทำนะเหมือนกับลูกชายกับพ่อไปด้วยกัน ลูกชายไปทํางานราชการอยู่กรุงเทพว่า ง, งั้นดะวันนี้พ่ออยู่บ้านนอกก่อนที่จะไปเยี่ยมลูกชายกันนะี่แหละหอบของพลุงพลังปัวะลูกชายจะอดว่า ง, งั้นดะหน่อไม้หนอห้หนอน้ําข้าวสารอาหารแห้ง เ, เตรียมไปให้ลูกชายเพราะลูกชายทํางานราชการแต่ลูกชายเนี่ยโอ้ยอายเขาโปรแลงว่า ง, งั้นดะเะพราะว่าพ่ อ, เ, อเข้าไปแล้วมีแต่ของอะไรพลุงพลังมันจะอดอะไรในกรุงเทพ มีแต่ของดีๆแล้ววิธีทําจะทํำยังไงแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้มันไม่เหมือนบ้านนอกหาฟืนหาเตาก็ยังยากแต่นี้จะทํำยังไงพ่อพ่อบ้านนอกก็เป็นห่วงลูกว่างั้นเถอะแต่นี่ลูกชายเขกลัวขายหน้าว่างั้นเพราะว่าพ่อเป็นบ้านนอกว่างั้นกัเลยตัดชุดให้อย่างดีว่างั้นใส่ชุดแบบปุนกรุงเทพว่างั้นแต่ถึงยังไงถึงจะใช้ชุดกรุงเทพมันก็เป็นบ้านนอกอย่างเก่าว่างั้นะ ทีนี่ท่านก็ใส่ชุด เ, เรียบร้อยทีนี้บอกกับพ่อว่าพ่อพ่อพ่อดูผมนะผมทำยังไงให้ทำอย่างนั้นนะต้องดูผมนะผมทำยังไงให้ทำอย่างนั้นนะถ้าไม่ทำอย่างผมเดี๋ยวขายหน้าเด้อายเขาเด้เขาเจะว่าพ่อบันนอกทั้งพ่อลนะก็ลูกชายแนะนำหลังจะทำยังไงอย่างไรทักลูกชายบอกแล้วจะทำยังไง ก็ต้องเชื่อฟังลูกชายเพราะตัวเองเป็นบ้านน อ, อกจริงๆว่างั้นกลัวจะขายหน้าลูกชายเพราะลูกชายเป็นข้าราชการเดี๋ยวทําอะไรไม่ถูกเข้าไปคนทั้งหลายจะดูดุลูกชายตัวเองพ่อก็ปฏิบัติตามที่ลูกชายบอกว่างั้นลูกชายก็ใส่ชุดอย่างดีอีกใส่รองเท้าอย่างดีให้อีกเพราะงัน้นสรุปแล้วก็เหมือนกระลิงแต่งตัวอย่างงั้นอ่ะตัวนี้ก็เดินไปพอไปลูกชายก็พาเขาร้านอาหาร ลูกชายก็พาไปดื่มน้ําพอไปดื่มน้ํากินปลาตังโง ก, กากาแฟก่อนพอเสร็จแล้วลูกชายก็เดินไปเดินไปกัไปเห็นอ้อยมาก็กินเคี้ยวอ้อยให้พ่อถุงหนึ่งตัวเองถุงหนึ่งพอให้อ้อยทีนี้เวลาลูกชายกินอ้อยปับ๊บเขาขมวนปับ๊บคําคี้อ้อยนะใส่ผ้าเช็ดหนาปับ๊บแต่พ่อเนี่มองไม่เห็นว่าลูกชายมันเอาไปไว้ที่ไหนเพาะงั้นเลย พอมันกินเสร็จแล้วก็เงียบมองเงียบมองเออ <Yeah. S 1> ปู่จะไปเอาไว้ที่ไหนเพะถ้าจะคายออกเดี๋ยวเขาก็จะว่าบันนอกอย่างนั้นปู่พอ่อเลยเกินขี้อ้อยว่างั้นเถอะเคี้ยวเขี้ยวแล้วก็เกินเอาโอ้กินขี้อ้อยไม่ใช่เกินธรรมดามาเกินฝืดคออย่างนั้นเออแต่ลูกชายนี่ก็กินปับ๊บเก็บปั๊บอย่างั้นเถอะใส่ผ้าเช็ดหน้าอมองไม่เห็นอบันนอกมันมองอะไรไม่เห็นเชื่อเช่ออยางั้นเวลาเขาคลายตัวเองมองไม่เห็น คลายปับ๊บใส่พาเท้าปับ๊บตัวเองเห็นมาลูกชายกืนขี้อ่อยแบบนั้นเลยพ่อเนี่ยกืนเนากืนเนาะลูกชายก็เลยพาเดินไปอีกพอไปเห็นกระป๋องอยู่ข้างถนน่ะลูกชายก็กระโดดเตะไปปักมาพูดพ่อเนี่ยกลัวจะไม่ทันกลัวจะขายหน้าแบบนั้นเลยลูกชายพาเตะยพ่อเนี่ยทำท่ากระโดดเตะต่ออีกแบบนั้นเตะกระป๋องแบบนั้นเลย เพื่อจะให้ทันสมัยพ่อทุกทำยังไงให้พ่อทำอย่างนั้นได้ให้พ่อดูผมนะอะผมทำยังไงให้ดูเดี๋ยวขายหน้าเหมือนกันแต่ตอนนี้พ่อมานั่งทีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวทีนี่ลูกชายก็นึกขำพ่อตีกระป๋องเหมือนกันตอนนี้พอกินไปกินมาลูกชายอดขำ ม, มาแดงก็เลยงอเลาะแบบกระทันหันอย่างแรงก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกทั้งสองเส้นเหมือนกันแต่พ่อก็เลยบอกว่าลูกทำอะไรพ่อทำได้หมดกินขี้อ้อยก็ทำได้เหงือนกันะ แต่กระป๋องก็ทำได้แต่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทำกับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันน่ะอาจารย์พาไปการวะนี่ยให้พระใหม่ทําตามนนให้ดูหัวหน้าเหมือนนเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะกราบพร้อมกันนะอย่างนี้มันก็ต้องดูหัวหน้าเหมือนันเอที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็สอนให้ใช้ปัญญาให้สังเกต ภัยที่ไหนถ้าสังเกตมันน่าดูทั้งนั้นนะเหมือนกับผ้าญี่ปุ่นกับพระฝรั่งผ้าญี่ปุ่นในฉลาดแนี่หอมาที่วัดปา่าบ้านตาดนั่งเรียงกันมันน่าหนาวเลใช่ไหมพอยื่นน้าร้อนไปให้ล้างมือคล้ายๆกันเอาใส่กาน้ําใหญ่ๆไปไปกระเทยใส่ให้ล้างมือแต่พระฝรั่งไม่เทใส่น้ําล้างมือเลยผ้ะฝรั่งที่ไปด้วยเทใส่แก้วเลยดื่มมางั้นแหะแต่พระญี่ปุ่นตาบ้องแม่บองแม่บองแ ม, ม, ม, ม่ดูมางั้นเลย อ yeah, อันนี้เขาไม่ใช่ให้กินนะไม่ให้ดื่มนะนี่น้ำล้างมือนี่วนะี่ยไอ้พระญี่ปุ่นเับเทใส่ฝาบาทล้างมือเราก็เห็นคนที่สังเกตเนี่ยคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยกับคนที่ไม่คิดเนี่ยคนไม่สังเกตมันต่างกันนาะชาวมันต่างกันเหมือนกนเพราะนั้นเราไปในสถานทีใน่ใดที่ใดให้สังเกตเขาทำยังไงตอ้หวงปู่ล่าเคยพูดที่ไปบ้านเศรษฐีในภูเกต็ต พันพิชันเขาหนึ่งใบกล้วยมาแล้วก็ใส่น้ํามันเขาไม่มีกระดาษสมัยนะั้นคือก่อนชั้นอาหารนี่กลัวข้าวและกลัวจะติดมือเนี่ยเขาเอาใบกล้วยมาเช็ดมือซะก่อนเพราะมีน้ํามันอย่างนั้นเขาใส่น้ามันบางๆอย้เขาไม่มีกระดาษเขาก็เช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะจับช้อนทานอาหารพวกพระในเขตเนีเใบตรงกล้วยเขามาทําอะไรคงจะเป็นผักจิ้มน้ําพริกชะมดัง เ, เลยม้วนๆใบกล้วยจิ้มน้ําพริกกินไปทั้งหมดเลยอย่างนั้นเต้ หลวงปู่ล่าก็ยังเอามาพูดอีกอยู่นะกะคำอีกเหมือนกันว่างั้นเ น, นี่ะสรุปแล้วก็คือไม่สังเกตว่างั้นนะถ้าสังเกตแล้วจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องถามว่างั้นนะอย่างาพระฝรังก็เหมือนกันเราตำหนิตรงที่ว่าไม่สังเกตไม่ใช้ปัญญาเราตำหนิตรงนี้การที่กระทำออกไปนั้นมันก็ขาดความรอบคอบเพราะไม่ได้สังเกตเขาอองหอยหอยขมหอยจูบว่างั้น บานวัด่านอาจารย์สิงทองเนะ่ยที่ว่านะอาจารย์นิทองกับเป็นคนมีคําคมคําขันอยู่แล้วงั้นเถอะแต่๋นี้ไปทําให้ท่านเห็นอีกท่านก็เลยขาขันขึ้นมาอีกเทนี้พระฝรังไปเลยเขาเอาหอยจูบนะใส่ถ้วยมาเขาส่งไปพระฟรังก็ตักใส่บาตรพอตักใส่บาตก็ลืมสังเกตว่าเวลากินหอยท่ก็กินยังไงใช่ไหมเดี๋ยคือพระเขาก็เอาไม้จิ้มพันจิ้มปับ๊บเขาก็เอาแต่หอยแล้วก็เปลือกมันก็ทิ้งแต่ฝรังนี่ย เขาไม่ได้ส like ังเกตว่าาจิ้มยังไงหอยมันอยู่ลักษณะไหนพอจับหอยขึ้นมาเอาไม้ซีฟันแย่ลงไปให้มันออกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันท่าพวกพะไทยเขาก็ดูอยู่แย่งเข้าไปก็ไม่ออกมองไปมองมาก็ไม่ถามใครแล้วไงเอาไปมาก็เลยยัดเข้าปากเลยเคี้ยวเลยเคี้ยวต้องเปลือกหอยเลยเหมือนกัอพวกพระไทยโยดยดโยเปลือกมันจะบาดปากนะว่างั้นอันนี้ก็คือความเซ่อหนึ่งเหมือนกันนะ่ยไม่ได้ถามตามไม่จริงก็น่าจะถาม น่าจะสังเกตอันนีก้กินหอยทั้งเปลือกว่างั้นเถอะคือจะเป็นเรื่องคบขันขึ้นมาอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือไปที่ไหนให้สังเกตให้ดูปุ่มพิประเทศของเขาทํำยังไงวัดของเขาทํำยังไงเมื่อไปถึงเราควรทํำยังไงต้องมองหัวหน้าต้องมองไกด์มั้งนั่นเถอะแต่ก็จะไปทําจนเกินไปแบบพ่อกับลูกชายไปด้วยกันอนะันนั้นก็เกินไปเหมือนกันนะมั้งนั่นเถอะทางนี้ทางนั้นการสอนกันเพื่อให้ความฉลาด ความรอบคอบใช้ปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอัธรรมให้แกพระสาวกพระเทวทัตกลับนําเอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้เป็นประปะักญาเป็นหนทางผิดบางงานเถอะพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนว่าเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าเทวทัตบอกว่าเนี่ยเราเป็นพระเราจะไปฆ่าสัตว์เราไปกินสัตว์ไม่ได้นะ เป็นการส่งเสริมภิกษูไดอยู่ป่าก็าให้อยู่ป่าพิกษูไดบินธบาตให้บิณธบาตไม่ให้ฉันโดยที่ไม่บินธบาตทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เอาทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทําให้ตึงขึ้นให้แข็งขึ้นว่างั้นเถิให้เป็นเด่นขึ้นเพราะเหตุอไรกันนี้แหละสรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็เลยตกอเวจีมหานรกยังไม่ได้ขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ พอเหตุใดก็เพราะเอาความรอบครอบของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในทางที่ผิดเพราะนั้นสติปัญญาตัว น, นี้มันเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมันผิดอย่างมหาศาลเหมือนกันแต่ใช้ไปในทางถูกเป็นคุณอนันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตความคิดเนี่ยเป็นสัมมาทิฐิหรือเปล่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่าต้องยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานหรือว่ายึดมาเป็น แนวทางแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านแนะนําสั่งสอนในเรื่องนี้เราต้องเอามาวิเคราะห์เอามาไตร่ตรองเหตุและผลเสียก่อนและจากนั้นเรากรลงมือประพฤติปฏิบัติตามเหตุและผลนานนะอันนี้แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาสั่งสอนเราเราก็เห็นว่าเป็นศีลหรือเป็นธรรมแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ เพะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะไปสถานที่ใดให้สังเกตยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่นยจะให้เป็ น, ป น, ปนลูกชายกับพ่อบ้านนอกว่งั้นแตะกินข้าวตี๋ยเขาไปแล้วนึกขำขึ้นมาหัวเราะอย่างแรงกข้ยเตี๋ออกทางจมูกทั้งสองเส้นว่างั้นแต่พ่อก็เลยบอกว่าลูกทําอะไรพ่อทําได้หมดกินขี้อ้อยก็ทำได้ว่างั้นแต่เตะกระป๋ปองก็ทําได้ แต่เอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทำกับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เหมือนกันนี่แหะเอารับพรเนี่ยเอานมบดกัน